เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมันมีข่าวหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะสำหรับผู้สูงวัยนะคือเขาพบว่าการหูตึงเนี่ยหรือการสูญเสียความสามารถในการได้ยินเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้คนเนี่ยความจำเสื่อมหรือเรียกอย่างนี้ว่าความจำเสียไปธรรมดาคนแกน่นี่ความจำก็ ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแต่ว่าความจําเสื่อมที่พูดเนี่ยนะมันเป็นอาการหนักเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้ตายได้นะเมื่อเวลาผ่านไปสิบปีและถ้าปล่อยให้มันลุกลามอย่างความจําเสื่อมที่เราคุ้นเคยกันดีได้ยินชื่อบ่อก็คืออัลไซเมอร์นะอัลไซเมอร์เนี่ยรันนี้พูดถึงเรื่องของการ อ่สูญเสียการได้ยินหรือหูตึงเนี่ยนะเขาก็ศึกษากันอย่างกว้างขวางนะในอังกฤษศึกษากคนถึง4 0 0แสนคนแล้วพบว่าการหูตึงเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยเป็นโรคความจำเสื่อมได้ถึง 8% เนะเกือบ 10% ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนแต่ก่อนก็จะ การก็รู้ว่าเนี่ยการกินเหล้าการสูบบุหรี่นะการไม่ออกกำลังกายมันมีส่วนทําให้คนแกน่นี่มีความจำเสื่อมเร็วขึ้นนะแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าหรือรู้อย่างแน่ชัดว่าเนี่ยหูตึงนี่ก็มีส่วนนะเพราะอะไรนะเพราะว่าพอหูไม่ค่อยได้ยินแล้วการรับรู้ เกี่ยวกับโลกภายนอกมันก็เสียไปก็มีผลต่อการคิดนะการใช้สมองอีกอย่างนึงคือว่าเสียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นนะเป็นสิ่งเราให้สมองได้ทำงานพอไม่มีเสียงมากระตุ้นเราการทำงานของสมองสมองก็ทำงานน้อยลงพอทำงานน้อยลง มันก็คงจนะ่อนะความจำก็เลยแย่ลงแต่เขาก็พบว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ยากนะใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยนะมันก็ช่วยบรรเทาอาการนะความจำเสื่อมได้แลวมันเป็นวิธีการที่ใช้เงินไม่มากเลยนะเครื่องช่วยฟังเนี่ย แล้วก็ทําได้ง่ายไม่เหมือนกับเลิกบุหรี่เลิกเหล้านะหรือออกกําลังกายเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าบุหรี่ไม่ดีเหล้ามีแต่เลิกไม่ได้ออกกาลังกายดีแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะทําไม่มีเวลาบ้างเหนื่อยบ้างแต่การใช้เครื่องช่วยฟังนี่มันง่ายมากนะถ้าทนลาคาญช่วงแรกๆสักหน่อย เพราะว่าพอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยนะฟังได้ดีขึ้นเนี่ยการเป็นโรคความจําเสื่อมมันก็จะบรรเทาเบาบางลงแต่เขาพบว่าคนแก่เนี่ยนะไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องช่วยฟังเท่าไหร่คือยอมหูตึงนะทั้ท ง, ทงที่มีนะบางทีมีลูกหลานซื้อให้แต่ไม่ค่อยใช้ แล้วก็ไม่รู้นะว่าไอาการทำอย่างนั้นเนี่ยนะมันส่งผลระยะยาวทำให้ความจำเสื่อมหรือผู้ใหญ่ก็คือสมองนี่เขาค่อยเสื่อมลงแล้วเมื่อกี้ก็พูดนะว่าเนี่ยความจำเสื่อมเนี่ยนะมันสามารถทำให้คนเราตายได้นะภายในเวลา10ปี15ปีเนี่ยที่แรกเนี่ยมันก็เสื่อมในทางจิตใจหมายความว่า ความจำความนึกคิดต่างต่างก็แย่ลงความจะยังช่่งใจก็เริ่มแย่ลงพอเป็นหนักๆเข้านี่หลายคนก็เจ้าอารมณ์โวยว า, า, ายพูดจาหยาบคายนะสะบดดาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งละอันนี้เราเป็นความเสื่อมหรือความจำเสื่อมในทางจิตใจแต่พอเป็นหนักๆนี่ร่างกายมันก็เสื่อมนะมันความจำมันก็แย่ลงนนะในร่างกาย ร่างกายมันลืมลืมการกลืนแล้วต่อไปก็ลืมหายใจมันเป็นการลืมในระดับกล้ามเนื้อเลยนะไอ้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะมันก็ต้องมันจำเป็นนะสาหรับ ก, การหายใจสาหรับ ก, การกลืนคนที่ความจำเสื่อมหนักๆ น, นี่มีปัญหานในการกินมากแล้วก็กลืนลำบากไอ้การกลืนนี่นะมันดูเหมือนเป็นเรื่องสัญชตาตญาณนะ แต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันอาศัยเหตุปัจจัยมากมายจริงๆเนจะต้องเวลาเราจะกลืนเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อถึงห้าสิบมัดนะกว่าจะกลืนได้มันไม่ใช่อาศัยแรงโน้มถ่วงนะห้อยเอาคนห้อยหัวลงเนี่ยนะก็ยังกลืนได้เลยกลืนอาหารเพราะเราใช้กล้ามเนื้อเนี่ยบังคับกล้ามเนื้ออะไรบังคับกล้ามเนื้อแล้วก็สมอง แต่พอสมองเสื่อมนี่มันบังคับกล้ามเนื้อไม่ได้นะมันก็กลืนไม่ได้แล้วต่อไปก็หายใจไม่ได้ก็ตายเดี๋ยวนี้ก็พบว่าในประเทศที่เขาเรียวกว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ยนะความจำเสื่อมนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับสามเลยนะของคนรองมาจากหัวใจโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งแล้วคนที่อายุหกสิบ้าปีขึ้นไปเนี่ยนะ หนึ่งในสามเนี่ยตายเพราะโรคความจําเสื่อมไม่แบบได้ก็แบบหนึ่งนะที่เป็นกันมากคืออัลไซเมอร์นะแต่ว่าอัลไซเมอร์นี่มันก็เป็นแค่ความจําเสื่อมชนิดเดียวนะ่าจะมีเยอะแต่ว่ามันก็เป็นโรคความจําเสื่อมที่แพร่หลายมากหกสิเ็สิบปอร์เซนของโรคความจําเสื่อมก็คืออัลไซเมอร์นั่นคนที่พอ เริ่มแก่ตัวเนี่ยนะเจ้ากเกดว่าหูเนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ลองใช้เครื่องช่วยฟังบ่อยหน่อยนะมันจะได้มีการรับรู้ที่ครบถ้วนทำให้สมองได้ใช้งานหรืออย่างน้อยก็มีการกระตุ้นเรานะให้สมองได้ทำงานบ้างเพราะสมองทำงานมันก็จะเสื่อมน้อยลงหรือว่าเสื่อมช้าลง แต่ถ้าดีเนี่ยก็ก็ต้องคุมนะเรื่องการกินอาหารโดยเฉพาะเล่าบุหรี่นี่ถ้าเลิกได้นี่โอ้มันดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นต้นต่อของโรคหลายชนิดทั้งหัวใจทั้งมะเร็งและที่ดีมากๆคือออกกําลังกายนะออกกําลังกายเนี่ยเพราะว่าพอ ปอดก็ดีหัวใจมันทำงานได้ดีขึ้นสูบฉีดเลือดเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงสมองสมองพอได้เลือดมากๆเข้ามันก็เสื่อมน้อยลงหรือเสื่อมช้าลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้สมองได้ทำงานบ้างนะนทีนี้คนแก่จำนวนมากก็อพอไม่มีอะไรทำก็เล่นปิดสนาอักษรไข่บ้างละเล่นจิ๊กซอต่อจิ๊กซอบ้างละ มันก็ช่วยทำให้สมองได้ใช้งานนะก็เหมือนกับกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำงานมันก็ฟอคนที่ไม่วิ่งเลยนอนติดเตียงนะขาก็รีบแขนก็รีบสมองเหมือนกันนะถ้าไม่ทำงานหรือไม่ใช้งานมันบ่อยมันก็ฟอแล้วมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวนี้าการตายเพราะโรคความจำเสื่อมนี่ มันสร้างความทุกข์ทรมานมากให้กับคนดูแลนะไอคนเป็นอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่คนดูแลนี่โอ้ทุกมากเลยอันเนี้จะดีกว่าโรคหัวใจโรคมะเร็งนะเพราะโรคหัวใจโรคมะเร็งเนี่ยคนป่วยนี่ก็ทุกคนดูแลก็ทุกนะแต่โรคความจําเสื่อมเนี่ยคนป่วยเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่มันก็ทรมานไปอีกแบบหนึ่งนะกินข้าว ก, ก, ก, กินไม่ได้คืน อ, อะไรก็คือลําบากบางทีก็สำลัก แต่ว่าคนที่ทุกมากสูงก็คือคนดูแลซึ่งก็อันนี้ไม่เพาะลูกหลานหรือบางทีก็เป็นภรรยาเพราะภรรยามากักจะยืนยืนกว่ า, างั้นอะไรที่มันมันเป็นภัยที่ต้องตระหนักกันให้มากขึ้นในเพร่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะเมืองไทยตอนนี้คนแก่ผู้สูงวัยนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้จักวิธีการป้องกันหรือไม่เห็นโทษออกมาตั้งแต่แรกแล้นเนี่ยการ ไองานงานวิจัยนี่มันมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันช่วยป้องกันความจำเสื่อมด้วยวิธีที่ง่ายๆนะแค่ใช้หูฟังสำหรับคนที่หูตึงหรือว่าหูไม่เคยได้ยิน